เช้านี้นะอากาศก็หนาวใช้ได้นะแต่ก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะว่าหนาวแต่กายนะแต่ว่าอย่าปล่อยให้ใจหนาวไปด้วยหนาวอย่างเดียวพอแล้วนะคือหนาวกายนจะให้ใจหนาวใจหนาวนี่มันไม่ได้เป็นเพราะอากาศที่หนาวนะแต่เป็นเพราะระวังใจไม่ถูกใจที่บนใจที่วุ่นวาย โอดครวนมันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ใจที่ไปยึดไปเกาะ อ, อยู่กับร่างกายส่วนที่หนาวนะหรือเรียก อ, อย่างนว่าใจที่มันไปยึดเอาความหนาวของกายมาเป็นความหนาวของกูนี่นะมันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ใจหนาวใจหนาวเพราะยึดนะยึดเอาความหนาวของกายมะ ที่ยึดเพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวก็เลยไปซ้ำเติมตัวเองก็คือหนาวทั้งกายแล้วก็หนาวทั้งใจสองหนาวเลยนะแ่นที่จะหนาวเดียวอยลองนะลองสังเกตดูใจของเราว่ามันมีอาการอย่างไรมันผักไสแล้วก็มันยึดติดไปในเวลาเดียวกันหรือเปล่าหรือสลับกันหรือเปล่านะ ดูใจตั้งสติแล้วมันจะรู้สึกตัวได้ถอนจิตออกมาจากนะความหนาวมันเป็นการฝึกหัดนะอากาศหนาวเนี่ยแตบบ่ฝึกหัดให้เราได้มาเห็นจิตเห็นใจของตัวเองได้เรียนรู้ได้เข้าใจจิตใจของตัวเองมาดูกายก็ได้นะ แต่ไม่ใช่ดูกายที่หนาวแต่ดูปฏิกิริยาของกายนะที่มันหนาวมันเป็นอย่างไรมันเกรงไหมในความเกรงของกายเนี่ยมันก็ทําไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะถ้าเกรงไปนานๆก็ปวดก็เมื่อยลองผ่อนลองคลายดูวิชาดูกายดูใจหรือว่าเห็นกายเห็นใจนี่เป็นวิชาที่สําคัญ เอาไปใช้ได้อีกหลายงานรวมทั้งเวลาที่เราเดินด้วยถ้าเราไม่รู้จักนะเห็นกายเห็นใจมันก็จะทุกข์ได้ง่ายหรือว่าทุกข์เรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์นะเราได้มาฝึกถ้าเราเอาแต่ทุกข์นี่ก็เรียกว่าเสียโอกาสแลวขาดทุน แต่เราชาเรามาใช้เพื่อฝึกนะฝึกกายฝึกใจของเราฝึกกายนี่ก็ฝึกความอดทนแต่ฝึกใจคือฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวอากาศหน า, นาวนี้ก็ดี อ, อย่างหนึ่งนะมันเห็นอ่าท้องฟ้านะเห็นดวงดาวได้ชัดขึ้นถ้าอยู่ตรงวงองตัตมาเนี่ยนะอยาจจะเห็นดาวเหนือ นะชัดเลยหลายคนเนี่ยได้ยินชื่อดาวเหนือแต่ไม่ค่อยไม่รู้จักแล้วก็มองไม่เห็นหรือไม่รู้ตรงไหนดาวเหนือาวเนือนี่ยมันถ้าเราดูเนี่ยจากดาวกระบวยลงมาเนี่ยเขีเส้นตรงลงมาเนี่ยอยู่เหนือภูเขาเนี่ยจะเห็นดาวเหนือหรือยิบรลยคับเห็นไหมในดาวเหนือเนี่ยจากดาวสองเส้นอันี้ดาวกระบวเยเห็นไหมดาวมีใหญ่ นะหัวมันอนะ่ะสองเส้นลากตรงลงมาเนี่ยมันจะเฉียดเฉดดาวเหนือนั่นคือทิศที่เราจะเดินทางในวันนี้เราจะขึ้นเหนือแล้วนะเราออกมาทางตอนตกแล้วเ ร, เราจะเริ่มขึ้นเหนือไปภูเ ข, ขียวการจะเดินทางนี่มันต้องมันต้องรู้ทิศนะแต่รู้ทิศอย่างเดียวไม่พอนะีมันต้องมีทางด้วยนะ รู้ทิศออกไปทางนี้แต่ไม่มีทางนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันเป็นแต่ว่าเราจ ะ, ะมีเรื่องมีแรงทางทางตัดทางที่ไปแต่ว่าอเราโชคดีที่ไม่เพียงแต่รู้ทิศนะเรามีทางด้วยคำว่าทิศทางนี่นะมันเป็นคำที่คนไทยคุ้นมากนะจนเหมือนก็ว่าเป็นอันเดียวกันแต่ที่จริงมันไม่ใช่เวลาเริ่มเดินทางเราต้องรู้ทิศแล้วเราก็อาศัยสมัยก่อนก็อาศัยดาวเหนือ ดวงดาวเป็นเครื่องบอกทิศแต่เวลาจะลงมือเดินนี่ต้องดูทางต้องมีทางอันทิตนี้เรารู้จากฟ้านะแต่ทางนี่มันต้องมองไปที่ดินนะมีทิศแล้วมีทางแล้วนี่ยังยังเดินยังไม่สามารถจะเดินไปถึงจุดหมายได้นะมันต้องมีความตั้งใจด้วยมีตั้งความตั้งใจแล้ว ม, มีความเพียร แล้วจะจะให้ดีนะก็มีมีหมู่มิตรมีเพื่อนร่วมทางอันนี้มันจะช่วยเรื่อเราเป็นตัวช่วยมันมีภาษิตอฟริกาบอกว่าถ้าอยากเดินเร็วให้เดินคนเดียวถ้าอยากเดินไกลให้เดินไปด้วยกันธรรมยตราเนี่ยนะเรา จตเน้นเรื่องการเดินไกลเพราะนั้นเนี่ยเราควรจะเดินไปด้วยกันเดินเป็นขบวนเดียวกันบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเดินช้านะอยากจะให้ถึงจุดหมายไวๆ ก, ก็อาจจะเดินแบบลุยไปคนเดียวเลยแต่ก็อาจจะเดินไปได้ไม่นานโดยเพราะคนที่ไม่ได้ฝึกมานี่แต่ถ้า เราเดินกันหลายคนเดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมๆกันนะเราก็จะเดินไปได้ไกลไกลแค่ไหนนะเราก็จะไปถึงเพราะว่าเราเดินไปด้วยกันเมื่อมีเพื่อนร่วมทางนะเราก็จะได้กำลังใจจากกันและกันบางทีเราท้อนะแต่เห็นคนอื่นเขาเดิน อย่างกระตือหรือล้นอาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆอาจจะเป็นคนเท่าคนชารามันก็ทำให้เราเกิดมานะและนำไปสู่ความพยายามมานะนี่ไม่ได้แปลพยายามนะจริงๆแล้วมานะมาเป็นกิเลสชนิดหนึ่ง สัญหามานทิฐินี่เป็นกิเลสสามถ้าพูดภาษาสมัยใหม่คือมันคืออีโก้ตัวกูตัวตนแต่บางครั้งมานะมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนที่ใช้การได้ก็คือว่า เ, เขาเด็กกว่าเราก็ยังทำได้เลยเขาเป็นผู้หญิงเขายังมีเรื่องมีแรงเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้ชายเราเป็นคนหนุ่ม จะแพ้เขาได้ยังไงไอค้คาว่าแพ้เขาได้ยังไงเนี่ยมันคือตัวมานะเพราะมานะนี่มันไม่ชอบแพ้มันชอบชนะนะแล้ ว, ลวนี่ยเห็นคนอื่นนะเดินมีกําลังเราจะท้อถอยยอมแพ้ได้ยังไงเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไม่ยอมแพ้เนี่ยไอค้คาว่าไม่ยอมแพ้เนี่ยหรือกลัวเสียหน้าเนี่ยมันคือคือมานะแต่ถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์นะมันทําให้เรา เกิดความพิสู้ขึ้นมาหรือบางครั้งเนี่ยเรามีแผลอ่ะก็มีเพื่อนมาช่วยทําแผลให้เอาอยาดมยาลมยาหมองมาให้อ่ะก็เกิดอมีเรื่องมีแรงขึ้นมาอันนี้เพราะเพื่อนนะเพราะเพื่อนร่วมทางเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอการเดินทางไกลเนี่ยถ้าเราเดินไปด้วยกันมีเพื่อนร่วมทางเยอะ มันก็ทําให้เราเดินถึงที่หมายได้อาจจะช้าหน่อยแต่ จ, จะไม่ช้าก็ได้นะเพราะคนที่เดินคนเดียวเดินดุ่มๆไปนะไม่มีเพื่อนช่วยก็ทีแรกอาจจะเดินเร็วแต่สุดท้ายก็ต้องพักหรือว่าจะพักนาำด้วยซ้ําเพราะว่าไม่มีตัวช่วยก็กลายเป็นว่าเดินเร็วนะกลับถึงช้าเดินช้ากลับถึงเร็ว นะเพราะว่ามีคนคอยช่วยนะคอยเอื้อเฟือ้อแต่นอกจากมีเพื่อร่วมทางแล้วนะนะที่สำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือใจของเราการเดินธรรมยาราเนี่ยนะมันไม่ใช่เดินด้วยเท้าอย่างเดียวมันเป็นการเดินด้วยใจใจที่ว่าเนี่ยนะก็คือใจที่สู้นะใจสู้ ถ้าใจไม่สู้นะแม้ร่างกายจะแข็งแรงสุขภาพจะดีมันก็ไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าใจสู้แล้วเนี่ยแม้ร่างกายจะอ่อนแอหรือแม้แต่จะพิการด้วยซ้ำมันก็ไปถึงนะไม่มีคนตาบอดนะคนแก่ยุตแปดสิบหรือแม้กระทั่งคนพิการนะที่สามารถจะ พาตัวเองเนี่ยไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เอเวอเรสต์ Everest นี่มันเป็นเขาสูงที่สุดในโลกนะสูงเกือบเก้ากิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลลำบากสารพัดอากาศก็เบาบางมากหนาวก็หนาวอันตรายก็เยบแต่พอใจสู้นะจึงพาตัวเองเี่ยไปถึงจุดหมายได้ใจที่สู้มันก็ฉุดกาย นะให้พอมีเรื่องมีแรงขึ้นมาบางทีมันกลายเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงใจสู้นี่ก็มีหลายเหตุผลนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีความมุ่งมากที่จะทำให้ได้หรือเป็นเพราะว่านึกถึงคนอื่นก็ได้นะมันมีฝรั่งคนนึงเนี่ย ขับเครื่องบินน่าประเวิีเครื่องบินก็ตกลงไปในบนเรียกว่าบนภูเขาเขาที่ว่านี่ยคือเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใต้มันสูงพอใช้ได้เลยนะหิมะทั้งนั้นเครื่องบินตกก็ต้องดีที่ไม่ตายก็อาตัวรอดออกมาได้ต้องลุยหิมะ เพื่อจะเอาชีวิตรอดจะรอดได้เนี่ยมันต้องเจอคนนะเจอชุมช น, ชมชนก็พยายามเดินลุยหิมะฝ่าหิมะหนาวก็หนาวนอนก็ไม่เคยได้นอนอาจจะนอนประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องเดินทั้งเชา้าทั้งคำ่ำไฟนะที่จะผิง ต้มน้ําก็คงไม่มีหิวก็หิวแต่าทาี่สำคคือว่าเรี่ยวแรงมันหมดไปเรื่อยๆเดินไปสามวัน<ๆ>ก็ยังมองไม่เห็นผู้คน<ๆ>ก็พยายามกลับฟันเดินไปอีกก็พักก็หมดแรงมันหมดแรงหลายรอบแล้วแต่รอบล็อกรอบนี้ไม่มีแรงจริงๆก็คือวา่าฉันตายแน่ก็ทําใจแล้วว่าพร้อมตายแล้ว ถ้พ ก, ก็นึกขึ้นมาได้ถ้าเราตายตรงนี้ครอบครัวเราจะเดือดร้อนเพราะว่าทําประกันเอาไว้แต่ประกันชีวิตเนี่ยก็จะจ่ายได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเห็นศพถ้าไม่เห็นศพนี่เขาก็ไม่จ่ายเงินครอบครัวก็จะเดือดร้อนเมียเอยลูกเอยก็เลยคิดว่าตายตรงนี้ไม่ได้นะต้องไปตาย ที่ไหนสักแห่งที่พอจะค้นหาศพได้ง่ายนะเพราะว่ากฎหมายของฝรั่งเศสเนี่ยนะคนที่เป็นคนฝรั่งเศสถ้าหาศพไม่เจอก็ไม่จ่ายเงินจนกว่าจะกลายเป็นบุคคลผู้สูญหายซึ่งต้องใช้เวลาสี่ปีไอสี่ปีเนี่ยครนะอบครัวคงจะเดือดร้อนนะถ้าไม่มีเงินประกันชีวิตแล้วก็เดี๋ยวไปสักพักก็เห็น มันมีหินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นหินก้อนใหญ่ห่างไปประมาณสักร้อยเมตรก็เลยพยายามรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายตะเกียกตะกายขึ้นไปนะจนกระทั่งไปถึงหินก้อนนั้นแต่ปรากฏว่าพอถึงตรง น, นั้นแล้วเนี่ยนะเขากำมีเรียวแรงเดินต่อไปอีกเก้าสิบกิโล จนก็ทั่งเจอคนช่วยเหลือเขาได้อนะจากเดินเนี่ยร้อยเมตรก็ไม่รู้จะมีแรงแค่หวนนะแต่ปกว่าในสุดเดินไปอีกนะเป็นเกือบร้อยกิโลอันนี้เราพอใจแท้ๆเลยนะคือเป็นห่วงลูกเมียนะไอ้ตัวเองก็พร้อมตายแล้วตอนนั้นการตายง่ายกว่าการอยู่นะแต่ที่ต้องอยู่ต้องดิ้นรนก็เพราะว่านึกถึง ลูกนถึงเมียมันก็เกิดมีเรื่องมีแรงขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบาปอย่างแท้จริงนะคือร่างกายมันจะไม่ไหวที่จริงอาจจะไหวก็ได้แต่ ใ, ใจเนี่ยคิดว่ามันไม่ไหวแต่พอใจฮึสู้ขึ้นมานี่เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายมันก็สามารถจะบีบสามารถจะเค้นออกมา จนพาตัวเองเนี่ยเดินไปได้นะเกือบร้อยกิโลงั้นที่เาไปที่เราเดินนี่นะสิบกิโลนะ<ส>มันไกลห่างไกลจากที่เขาเดินร้อยกิโลมากเลยเขาเดินในสภาพที่มันแสนจะทุก inder, ทุกทรมาร์ลำบากทั้งหิมะทางก็ไม่มีร่างกายก็อ่อนแอไม่มีอาหารแต่นี่ลองร่างกายเรานะ คิดว่าพร้อมแหละทิศก็มีทางก็มีเพื่อรวมทางก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญก็คือใจนะถ้าใจเราถ้าใจเราสู้รู้ใจระวังใจไว้ถูกนี่มันเราก็เดินได้ไม่ใช่แค่ถึงที่หมายเดียวแต่เดินได้อย่างสบายด้วยใจก็ตามเนี่ยใจเนี่ยนะมันก็สามารถจะกลายเป็นอุปสรรค ที่สำคัญของเราก็ได้ในการเดินธรรมยตราหรือที่จริงการเดินทางไกลทั้งหลายเนี่ยอุปรสรรคที่สำคัญที่สุดนะไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่ทางที่วิบากนะแต่คือใจของเรานะใจของเราเนี่คืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดหรือน่ากลัวที่สุด ใชจใจนี่แหละนี่มันทำให้เรานะไม่อยากจะเดินทางบางทีมันแพ้ตั้งแต่แรกแล้วนะพอนึกไ้ต้องเดินยี่สิบกิโลสาสิบกิโลโท้อเลยเช่นเดียวกับเวลาเราทำงานงานต่างๆเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะทำไม่ใช่ว่าเพราะว่ากรากรามทำมาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะแต่เพราะว่า ที่จริงไม่ทันจะเริ่มด้วยซ้ำนะแต่พอนึกถึงงานนึกถึงปัญหาที่จะตามมานึกถึงอุปสรรคนึกว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก่าจะเสร็จโอ้แค่คิดนี่มันก็หมดแรงแล้วนะนะหลายคนหมดแรงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำด้วยซ้ำไม่ใช่เพราะงานมันยากไม่ใช่เพราะทางมันไกลแต่เป็นเพราะใจใจมันท้อคือใจมันไม่สู้ ที่ไม่สู้เพราะว่าวางใจไม่เป็นนะไปคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะมันยังมาไม่ถึงเลยก็คิดเป็นตูปเป็นตะไปแล้วว่าโอ้มันจะยากอย่างโน้นยากอย่างนี้วางใจให้เป็นนะมันจะช่วยทำให้การเดินธรรมญาติตาของเราเนี่ยนะมันราบรื่นจริงอยู่นะนะมันเป็นของที่สิ่งที่เราเจอในวันนี้แล้วก็วันต่อต่อไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคย ทางที่ไกลแดที่ร้อนหรือว่าถนนที่วิบากแต่ถ้าระวังใจเป็นนะมันจะช่วยทำให้เราเดินไปได้กายทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์กายร้อนก็จริงนะแต่ใจไม่ร้อนร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นเหนื่อยแต่กายใจเบิกบาน อันนี้ไม่ใช่เป็น ค, ครรําขวัญหรูๆสวยๆนะแต่ว่าที่จริงมันเป็นสิ่งที่ทําได้และควรทําด้วยพอถ้าเราทําได้เนี่ยวิชานี้เราก็จะไปใช้กับชีวิตประจําวันหรือชีวิตของเราในวันข้างหน้าได้ในเวลาเดินเนี่ยนะรักษาใจของเราให้ดีนะเพราะใจของเราเนี่ย ถ้าเราไม่รักษาไว้มันจะกลายเป็นอุปสรรคที่ทําให้เราเดินด้วยความทุกขนะ์ทุกทั้งกายทุกทั้งใจรักษาใจยังไงนะรักษาใจคือว่าให้มันอยู่กับปัจจุบันเวลาเดินเนี่ยใจอย่าไปคิดถึงจุดหมายปลายทางมากวางจุดหมายปลายทางลงแล้วก็วางแม้กระทั่งจุดพักข้างหน้าด้วยก็คืออย่าเพิ่งไปคิดมัน พอเราไปคิดเนี่ยนะมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีก็คือเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไม่ใช่ความรู้สึกเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้ความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาทีไรมันจะบั่นทอนทั้งกายและใจและถ้ามันบ่นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วไม่ถึงสักทีมันก็จะท้อเลยนอย่าให้ความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นมาในใจของเรา ถ้ามันจะเกิดก็ให้รู้ทันรู้ทันแล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับก้าวแต่ละก้าวที่เดินตัวช่วยที่ทําให้ใจเราเนะี่ยไม่ไปวิตกกังวลกับทางข้างหน้านะก็คือสมาธิตัวช่วยตัวนึงคือสมาธิสมาธิแปลว่านะแปลง ง, ง่ายๆว่าการที่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างเน่าแน่เช่นให้ใจจดจ่ออยู่กับเท้าที่ก้าวเดินบางคนก็เอาใจไปจดจ่อที่เท้าแต่ะล ะ, 9, ะ, ละก้าวแต่ละก้าวเอาคนเอาใจไปจดจ่อยที่ลมที่หายใจเข้าหายใจออกอาจจะมีตัวช่วยเช่นคำบริกรรมคำบริกรรมก็คือคำที่เราใช้ผูกจิตนะพุโทโธบ้างหนึ่งสองบ้างบางคนก็ 1, 2, ใช้วิธีการนับเด็กๆหลายคนเนี่ย วันแรกๆนี่เหนื่อยว่าละท้อวันที่สองก็ยังท้อแต่พอเขาเริ่มนับเก้านะปรากฏว่าพอถึงที่หมายตอนเย็นนี่เขาบอกเลยว่าไม่ค่อยท้อเท่าไหร่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยอสองวันแรกนี่บ่นว่าเหนื่อยมันไกลนะแต่วันที่สามนี่ไม่บ่นแล้ว่ดีใจที่สามว่าโอ้ทาได้นะเราไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เลยจริงเหนื่อยนะคือเหนื่อยกายแต่ใจไม่เหนื่อย ใจไม่เหนือ่อยเพราะใจเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่กับการนับมันลืมเหนื่อยมันลืมเมื่อยนะมีเด็กอายุเก้าขวบนะมีปีหนึ่งเดินก็เหมือนกันนะวันแรกสองวันแรกก็บน่นนะแต่ต้องเดินเพราะว่าเดินพ่อแม่ยังไม่พากลับบ้านก็ต้องเดินวันที่สามนะนะวิชัยไปสัมภาษณ์ว่าเหนื่อยไหมบอก ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วครับอาทอํายังไงถึงไม่เหนื่อยผมก็ดูเท้าของข้างหน้าเด็กไม่รู้ว่านะ่ะคือสมาธิพอดูเท้าของข้างหน้าเนี่ยใจมันก็ลืมปวดลืมเมื่อยไปใจมันลืมจุดหมายหรือปลายทางเพราะถ้าเป็นนึกเมื่อไหร่นี่มันจะเกิดความร้อนรนกระวนกระวายวิตกเพราะอยากจะให้ถึงเร็วๆแต่ไม่ถึงสักที มก็เหมือกนการเดินทางนะเราเดินทางเนี่ยต้องมีสมัยก่อนต้องต้องดูดาวนะแต่พอเริ่มเดินแล้วนะก็มองทางลนะลืมลืมดาวเหนือลืมดาวไม่สนใจนะแต่มองไปที่ทางแล้วอยู่กับทางที่เดินแต่นี้เราทําให้ดีกว่านะคือเดินด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันสมาธิก็ช่วยทําให้ ใจอยู่กับปัจจุบันได้คืออยู่กับการเดินอีกอันนึงคือสตินะสะติสติกับสมาธิไม่เหมือนกันนะสะติในที่นี้เนี่ยก็คือความระลึกได้รู้ทันนะเวลาใจมันเผลอใจมันเผลอคิดไปถึงจุดหมายปลายทางนะรู้ระวัง ใจมันบนใจมันโวยวายตีโพีพายก็รู้นะแล้วก็วางใจมันหงุดหงิดนะบางทีหงุดหงิดเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าพูดคุยตลอดทางเลยหรือว่าหงุดหงิดอากาศที่มันร้อนอาจจะหงุดหงิดเพราะความหิวนะพอใจเนี่ยพอมีสติเห็นอารมณ์หงุดหงิด ที่ใจเนี่ยมันกกลับมาสึกตัวทางทีพอสึกตัวเนี่ยไอ้ความหุดหงิดหรือว่าไอ้การบ่นโอดครวนมันก็หายไปสติ ม, มันดึงมันพาจิตกรรมมาอยู่กับปัจจุบันพอรู้สึกตัวปุ๊บนี่ใจเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันหรือที่จริงพอใจเรากลับมาอยู่ปัจจุบันมันก็สึกตัวอยู่กับการเดิน เดินยังมีสติให้ลองฝึกดูนะใช้สติก็ได้ใช้สมาธิก็ได้กาเดินแบบเจริญสตินี่นะไม่จำเป็นปต้องมีคำบริกรรมว่าหนึ่งสองซ้ายขวาไม่มีการนับแค่ให้รู้กายเคลื่อนไหวให้รู้กายเคลื่อนไหวให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลามันเจ็บมันปวดใจมันบนอ่ะ ก็รู้พอรู้ปุใจก็เป็นปกตนะิเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะหรือจะมองบวกก็ได้นะมองบวกอมองว่าทางทางแค่นี้เองนะพิดตูนวิ่งไกลกวันนี้เยอะนะสองพันกิโลเราแค่สิบกิโลโอ้โหจิบจ้อยนะวันหนึ่งเขาวิ่งห้าสิบกิโลเรานะแค่เดินกระดึบกระดึ๊บเนี่ยสนะิบกิโล นะจิบจ้อยมากนะ น, นี่เรื่อมองบวกนะประเภทโลกสวย <c oughs> ก็ได้นะก็เรื่อมองบวกหรือมองว่าเออดีนะฝึกฝึกกำลังนะฝึกร่างกายของเราฝึกจิตฝึกใจของเราแดดร้อนๆนะให้เรานี่ทำเป็นเหนื่อยนะแต่ดอกไม้ข้างทางนี้เข้าบานรับแดดดยอย่างเบิกบานเลย ่างทีดอกไม้ข้างทางมันช่วยได้นะเดินเหนื่อยๆล่าลานี่โอ๊ยมือจะถึงแดดก็ร้อนทางก็แดงไปด้วยฝุน่นนะแต่มีปีหนึ่งเดินผ่านต้นประทัดจีนนะโอ้มันบานบานเป็นบานเป็ น, นเออเรียกว่าเป็นแนวเลยนะืิมทางแดดร้อนนี่ดอกไม้ไม่ไม่ไม่ยอดท้อไม่ ความนานนี่ซ้ำเห็นดอกไม้แล้วโอ้เขาบานได้นะทำไมเราจะใจเราจะเบิกบานไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีนะมันจะมีถ้าเรารจักมองนะมองให้เป็นเนี่ยใจเราก็จะมีกำลังใจเราจะไม่จงอยู่ความทุกข์ก็สามารถที่จะเดินไปได้ แรมดูแลรักษาใจเราให้ดีนะนอกจากการดูแลกายแล้วเนี่ยพอถ้าเราดูแลไม่ดีนะใจนี่แหละนะมันจะกลายเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการเดินแม้ทุกอย่างจะพร้อมแนละ้วร่างกายก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยหรือร่างกายอาจจะเมื่อยแต่ว่ายังมีเริ่มมีแรงแต่ใ จ, ใจไม่สู้อย่าง้วก็ตามลนะ้วก็ต้องดูความพอดีด้วยนะเพราะบางคนนี่ นะใจสู้แต่ร่างกายไม่ไหวบางทีก็ต้องฟังบ้างเพราะร่างกายก็บอกว่าพักอยากจะพักนะก็ต้องเชื่อฟังร่างกายบ้างการพักเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายการพักไม่แปลว่าเราหยุดเดินนะแต่ถ้าไม่พักเลยเพราะว่าคิดแต่จะไปให้ถึงไปให้ถึงบางทีกับเดี่ยงแล้วก็ไปไม่ถึงจนได้ นะพออยากจะไปให้ถึงอยากจะไปให้ถึงนี่แหละนะร่างกายบอกว่าขอพักก่อนขอพักก่อนเราไม่ฟังเสียงร้องของร่างกายเสียงอุฏอนก็จะเดินไมให้ได้อันนี้อาจจะเดินด้วยความยึดมั่นในตัวกูของกูก็ได้นะก็กูต้องไปให้ถึงกูต้องไปให้ถึงในความยึดมั่นในตัวกูแบบนี้มันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจเมื่อคนที่พยายามเดินเร็วๆเดินเร็ว ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ เ ค, เ, เ, ค เ, เคยเดินเคยเดินเคยเดินเรียกว่าทุดดงนะธรรมญาติตาก็ได้นะที่ประเทศญี่ปุ่นนะ <c oughs> ก็มีพระรวมหนึ่งที่ท่านอยากจะเดินให้ถึงไวไัยวัถึงไวไัยวัแล้วก็เดินจำ้จำจำ้ำจ้ำให้เราไอตัวตัมมา ก, ก็เดินด่อนเดินทอดน่องไปเรื่อยๆเดินทอดน่องไป <c oughs> แต่ท่านอยากจะไปถึงเร็วๆเพราะว่าข้างหน้าหนี่โยงเขานะ เขาห่อถวายเพดอยู่ต้องไปให้ถึงนะเวดตามเวลาเที่โมงตรงเนี่ยก็เดินแบบ น, นี้ทำอย่างนี้บ่อยๆสองสามวันสองสามวันก็บอกว่าเดี้ยงเท้าเดี้ยงเพราะว่าเดินแบบรีบๆแล้วก็ไม่เคยชอบหยุดนะไม่คอยชอบพักก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ต้องกระเพาไปแล้วกลายเป็นภาล่กับคนที่เดิน เดินเร็วกลับถึงช้านะเดินช้านี่ยกลับถึงเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากภาษิตาลอฟริกาที่บอกว่าอยากเดินเร็วต้องเดินคนเดียวอยากเดินไกลต้องเดินกันหลายคนแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่เราควรจะระลึกไว้คือเดินช้ากลับถึงเร็วนะเดินเร็วกลับถึงช้าแล้วที่เราเดินเร็วเพราะว่ามัน นิสัยที่อยากจะทําแล้วมันเสร็จเร็วๆไว้หรือว่าอยากจะถึงที่หมายไวๆถ้าปล่อยให้ความคิดแบบนี้มันคลองใจเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราไม่ได้พักแล้วสุดท้ายเราก็เดินไปไม่ถึงเพราะร่างกายมันยอมแพ้มันหมดสภาพให้มีสติรู้ทันนะไอ้ความคิดที่อยากจะถึงไวๆถึงไวๆนะไม่ต้องรีบนะแต่ละก้าวเนี่ย เราได้พักในตัวถ้าเราเดินแบบสบายๆนะมีสติการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยบางทีเดินไม่ต้องพักเลยก็ได้นะเพราะามันได้พักทุกก้าวอยู่แล้วใจเดินแบบนี้ต้องมีสติเพราะว่าไอ้ความคิดอยากจะถึงไวๆถึงไวๆรวมทั้งความที่ใจมันท้อ ง, ง่ายๆเนี่ยมันคอยรบกวนจิตใจมีสติเข้าไว้นะ ตาอย่าไปมองที่จุดหมายปลายทางอีงเดียวให้ใจอยู่กับปัจจุบันด้วยใจอยู่กับเท้าที่ก้าวเดินนะใจอยู่กับตัวที่เคลื่อนไปข้างหน้าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นอันนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นเคล็ดลับที่มันดูมันเป็นวิธีการที่ดูไม่มีอะไรโอ้แต่มันเป็นตัวช่วยได้เยอะทีเดียวเมื่อประมาณสักสามสิบสามสิบสี่สิบปีก่อนเนี่ยนะ มีฝรั่งคนหนึ่งเป็นฝรั่งเศสชื่อฟิลิปเปอร์ตีความฝ่ายฟังเขาคือว่าอยากจะเขาเป็นนักกายกรรมนะเขาชอบเดินอเดินเดินบนเชือกนักไต่เชือกหรือนักไต่ลวดตึกสูงๆนี่นะเขาก็เดินมาแล้วโดยไต่ลวด ตอนที่เขาได้ยิว่ามีการสร้างตึก World Trade c ซ n นเตอร์ที่นิวยอร์กเนี่ยมันเป็นตึกแฝนมันเป็นตึกในฝันเขาเลยนะเขาอยากเดินระหว่างยอดตึกสองยอดโดยมีลวดเนี่ยขึงเอาไว้ตรงยอดตรงดาดฟ้าแล้วพอเริ่มสร้างพอสร้างจะพอสร้างเสร็จยังไม่ทันเปิดนี่เขาก็อบขึ้นไปขึ้นไปบนยอดตึก นะแล้วก็ขึงเชือกไม่ใช่เชือกมันเป็นลวดระหว่างสองยอดสองยอดตึกซึ่งมันเสมอกันเท่ากันเลยมันไม่มีตึกแบบนี้อีกแล้วนะที่ยอดตึกมันจะเท่ากันแล้วก็สว่างเนี่ยอากาศประมาณเนี่ยเขาก็เริ่มเดินไม่มีอะไรเลยนั้นาอกไม้ยาวๆที่คอยใช้ในการพยุงตัวหรือบาลาน س เดินไปได้สักพักนะข้างล่างนี่เห็นก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็รีบขึ้นมาแล้วก็รอจับเขาอยู่ที่ปลายเชือกในฟฟลิปนี่แกก็เดินไปถึงปลายเชือกพ อ, อพอถึงปลายเชือกแทนที่จะลงแทนที่จะเลิกแทนที่จะหยุดแกกะโดดแล้วก็หันหลังกลับแล้วก็เดินต่อไปอีกรอบหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่ง แล้วก็เดินกลับมาเป็นเที่ยวที่สามตำรวจก็รอจับอยู่แต่พอมาถึงแกก็หันหลังกลับแล้วก็เดินไปเที่ยวที่สี่แกเดินกลับไปกลับมาอี่างเจ็ดครั้งนะใช้เวลากเกือบใช้เวลามาณสี่สิบห้านาทีบนบนลวดซึ่งสูงจากตึกเนี่ยสี่ร้อยเมตรแกเดินจนเบื่อแล้วนะแกก็เลยลงมามอบตัวให้ตำรวจจับ ผู้สื่อขาก็ไปสัมภาษณ์แกว่าทําได้ยังไงเดินบนลวดกลางฟ้าเนี่ยนะสี่สิบห้านาทีแค่ว่าผมไม่ทําอะไรนะเวลาเดินเนี่ยผมก็แค่มองแค่มองไปที่ลวดแล้วก็ให้เท้าซ้ายมันอ่าให้เท้าซ้ายมันอยู่อยู่ข้างหน้าเท้าขวาแล้วก็ให้ข้อเท้าขวาอยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายแค่นั้นแหละเค่็ดับการเดิน ไม่ได้มองไปที่ปลายเชือกปลายลวดไม่ได้มองข้างล่างนะแต่สนใจเพียงว่าให้เท้าแต่ละก้าวนะมันเดินไปเรื่อยๆนี่คืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเดินไม่ใช่ง่ายนะแต่เคล็ดลับง่ายๆมีอย่างเดียวคือให้เท้าขวานไปอยู่หน้าเท้าซ้ายล้ให้เท้าซ้ายไปอยู่หน้าเท้าขวาสนใจแต่เท้าแต่ละก้าวที่เดินทีละนิดทีละนิด แต่ทำสิ่งที่ยากลำบากได้ก็นีร่ราดูกับปัจจุบันนะพวกเราก็ลองนะลองลองเดินแบบลองวางใจแบบนี้ดูบ้างนะเดินด้วยสติหรือเดินด้วยสมาธิก็ได้เจ้าหูเนี่ยนะไปจดจ่อยที่เสียงกรองนะก็ได้ไอ้ที่ตีกรองไม่ใช่ตีไม่ได้มีเอาไว้เล่นๆนะแต่มีเพื่อปีของการเดินนะ เพื่อให้ใจแล้วเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงกรองก็ได้ปีไหนไม่มีเสียงกรองเพราะกรองแตกนี่โอ้เดินกันไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะก็ะไม่มีสิ่งที่จดจอ่อสิ่งที่ให้ใจจดจอ่ออแล้วก็ชาเ้เพื่อเท่านี้อ่ะกลับ พ, พระง